เสร็โกาที่สวัสดิ์เราต้องมเพ่อเาในสุขภาพรากายที้ละชั่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนีจะงเป็กรษาที่สุองทีเว การสะได้ที่ตำรวจลงมืงาาอจะได้แลก็จะรูดแล้วพองว่าไม่คามคิดอะไรที่อยูเใหยากมนความภาเป็นบัติคให้เห็น ใ, <c oughs> ใ น, น้ดูในคำสอนของตำรวจองค์นู มัดโพธิสมอต่คืเสมอแตพรภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมาเจะเิ็นชาปัดฉันประธานเฉกแล้วนั่งที่ควรนัส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งกายตรงมีสติรู้สึกตัวทักวรอ้อ ชำรกายใจให้มีสตริรู้สึกตัวนี่ก็จะได้เห็นธรรมรู้ธรรมนั้นยี่ในการศึกษาว่าจะมีสติดวงกายดูงใจของเรา <c oughs> ให้ร <c oughs> ูเ้เท่ารู้ทรรมรู้ตั ว, ตวรู้คอ เราพัดลมหายที aw, um ่แรกจะดูลมหายใจเ็าหายใจออกหรือจะเดินจงกองขับไปับมาดกลยที่มันเสื่อไปบางทีจะดูคิดใจที่มันคิดนึกไปอะไรที่มันคิดกินรู้สึกแล้วรกบมาตู l i m i ที่ตังเอาไว้ทีจะ เปี่ยนไปยกมือชาติจังหวะไม่เลยว่าการศึกษาชีวิ ต, ต้องเป็นสูตรสูตรหนึ่ง <c oughs> เป็นสุตรของชีวิตที่จะต้องจบตรงตรงนี้ไม่วันเราเรียนสูตรตื่นเเอาการเป็นตาราเอาจิตใจเป็นตาราเอาสติเป็นนักศึกษาข้อไปเล ถ้าเรามีสติโลกกายในใจเหมือนกับเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วก็ได้ตอบว่าได้เลยว่าเกดไขว่ามันมาได้เปลี่ยนเป็นดีว่ามันมาผิดเปลี่ยนเป็นผูกบ้าแล้วใจมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช่สติ เราจะรู้สึกตัวเอาสติไปเฉลยเสียก่อเอาสติไปรับไปรับแขฉะที่มันจะจนมาสติเป็นเจ้าของมานเจ้าของกายเจ้าของจิตใจอะไรที่มันผ่านมาทางกายทางใจสติออกเป็นรับเหมือนกับเจ้าของบ้านอันนี้เราไปรับ เพื่อนพระสงฆ์ที่เดินพรรองมาอยู่ที่หน้าวัดเป็นเป็นเลิของแล้วเราให้พาณพาเข้ามาอยู่ที่ที่ควรนเหมาะารระสงฆ์จะตอกรบก็ตาณเทือกใสจสมารับใ่เพื่ อ, ม, ม, อ, อมันมิจม่ใชมิจกม่ทรัฉันใดก็ดี การที่จะมาเข้าดูแหน่ตใจของเราเนี่ยมันจะต้องมีตัวมีตนมีผู้ดูมีสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นมันตก็มากมายบางทีเราว่า่ตัวการมันเห็นอันอื่นบางทีเราจะดตัวการเคลื่อนไหวอยู่ลมหายใจมันก็ไม่เห็นนั่ น, อน เ, นนนนเนนนองบางไปกับความคิดบางทีมันชวนให้หลงหมัว น, นอ น, น, อนบางทีก็ขุ่มเศร้า คามเียบางทีก็วังเลสงสัยบางทีก็พยบบาัาทอะไรต่างๆที่มันจ่อมาให้เราเห็นเราก็รู้เราก็เฉลยเราก็กลับมาหาที่ตัดที่ตัดเอาอะไรเป็ น, นมิตก็แล้วแต่ให้ตั้งเป็นที่เป็นทางใหตั้งไว้เป็นที่เป็นทาง จะมีสติตั้งไหวที่ลมไหายใจตั้งเวราานาบรรพ่าเราก็เคลื่อนไปตั้งที่ใหม่อีกอาจจะไปตั้งไววที่กายที่ยกมือสั่นจังว่าถ้าตั้งไหวกายแต่ยกมือสั่นจัหวัดนานไปัรคพา่ามันมีเวทน า, ามาแทรกมาซอนทาให้เราเกิดปัญหนากปกติ อาจจะลุกขึ้นเดินจงกรมไปตั้งไว้กับการก้าวทีละกล้ากลับไปกลับมาระยะเวลาอาจจะเเกิดเวทนาปวดเมือ่อยแล้วก็กําหนดรูกเห็นเวทนาชัดเจนที่มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นสุขของรูปของกายาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจ สิ่งเหานี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเขาว่าแต่ยันโลกมันสุขก็อยาไปหลงสุขมันทุ ก, กข์ก็อยาไปหลงทุกข์เราก็ยังรู้อยู่รู้สึกตัวอยู่พร้อมที่จะรู้สึกตัวกับมันทุกข์กับมันสุขแล้วก็เกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับความสุขที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอยจะถูกต้องอไม่ใช่ไปเต็มตะเพื่อตะเืไป มันสุกก็เป็นมันสุกมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์เพรนั้นไม่ถูกต้องแน่มันจะหมดมันจะหมดตัวไปแล้วหลวงพ่เคยพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นผู้ทุกข์หรือเห็นมันทุกข์เป็นผู้สุขหรือเห็นมันสุขเป็นผู้ง่วหรือเห็นมันหง่วเป็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวแต่เป็นเราไม่ถูก ถ้าเป็นเราก็หมดตัวไม่ได้ดล้มก็ไปเลยทาไม่ดูก็ไม่ไม่เกิดปัญญาพอหลวงเจ้าสอนไยแต่ว่าดูว่าดูว่าดูมาดูกายมาดูเวทนามาดูคิดมาดูทําจ่ากนี้เห็นจะากเป็นเหมือนเหมือนงูเห็นมันงก ความงั่วแต่เป็นความมัว่วแล้วก็ไม่ใครจะฉลาดถ้าเห็นแเราจะฉลาดถ้าเห็นเราเป็นหพ้นอยู่ตรงนั้นบางตาที่เราเห็นมันก็เกิดการหลุคพ้นที่ตงนะั้นตาที่เราเห็นถะาหลุดพ้นทางเราก็าก็ไมขก็พกเข้ารงเข้าปากแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆเห็นขอบเข็มหนามมันก็ไม่ เ, เ ห, เเหยียบน้า การเห็นมันก็ลดลงการเห็นจะเป็นตาภายในก็ออกเนกันราจะเกิดการพบเห็นจะเพื่อไปหรืถ้าเรามีสตินะเพราะเราดูอยู่ว่าต้องเห็นสีที่เราดูมันผ่านมาให้เราดูอะไรยหยาบแต่ ว, ว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นศูนมันเป็นชุมทางของ สิ่งต่างต้องมาผ่านตรงนี้เหมือนชมทางพาคีทงชมทางลาดนะครลาดสีมาชมทางหักให่ชมทางสวยของรบมันต้องผ่าน ม, มาตรงนี้เานะะเป็นทางผ่านของสิ่งต่างๆจึงมดูมัเมนเป็นเป็นชมทางของเขาทางผ่านของทุกอย่าง ความผิดความถูกความโศกความทุกข์ความชั่วความดีอะไรต่างๆแตเราเห็นกับเกิดการเกิดการฉลาดดูจุดเลือดนะรูจุดเลือดว่าแต่มีสติมีตัวรู้เป็นเป็นหลักนะตัวรู้เป็นตัวหลักตัวรู้สึกได้เป็นตัวหลักให้มมีพอสมควรนะวันเรามีตานะให้เห็นเป็นแสงสว่างให้มันเห็นว่า เมื่ออะไรผ่านมาจะต้องเห็นแน่นอนตอนในคือความรู้สึกตัวของเรามันเป็นมันเป็นหลักมันเป็นหลักมันดูอยู่มันเห็นอยู่มันรู้อยู่แต่เมื่อรู้เป็นหลักเวลามันหลงมันจะก็บตากันแต่มื่รู้เป็นหลักเวลามันหลงมันไม่รู้วันหลงกับรู้มันต่างกันแต่เมื่ตัวรู้เป็นหลักคนหลงกับรู้สึกตัวทันทีมันไม่ต่างกองหลงกัคกงรู้เห็นต่างกัน ความหลงกับความรู้สึกมันต่างกันวรู้สึกเนี่มันคืออะไรมันอคถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องมันเป็นอะ้รมันก็เลือกเ่ความหลงทีไร้่ะมีบทเรียนมีประสบการณ์ฉัาหเข้ามัหลงถ้าเราไม่ดู้งก็ไม่เห็นหรือเมื่อเมเมื่อไม่ทามันก็ไม่พลถ้าคนทำอะไรมันต้องผิดพลาด มันก็เกิฉลาดเพราะมันผิดแต่ไปทําก็ไม่พาลาดฉลาดเพราะมันผิดเป็นบัณฑิตเพาถูกตัดเตือนตัวเองอยู่สมอว่ากับเตือนตัวเองอยู่สมอมันง ว, วอแหงควง่วง้อหรือความรู้สึกตัวเนาดไหนมเจ้าความวง้อมาใส่เราเลือกเลือกพวกคนไม่ ง, มง้หาวิธีที่จะไม่ ง, มง้อมันบูมซาม เรเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านมันต่างกันกับความมีสติมีความสงบมันก็เลือกได้พอมันเห็นแล้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันพบเห็นเพราะมันพบเห็นมันเลยเลือกได้เหมือนเราไปจากตลาดไปซื้อผักไปซื้ออาหารไปซื้อเคผ้าซื้อผ้าซื้อเพื่อใช้ด้วยสอยเราเห็นเราลุกจิเลือกสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนดี บองทีก็ไม่ต้องพอเราดูเองเราจับตัวเองพอเราเห็นเองเราได้จับตัวเองมันสัมผัสกับรู้จิตตัวสัมผัสตัวความผิดมันก็ต่างกันกับสัมผัสกับความถูกสัมผัสกับความหลงก็ต่างกันกับสัมผัสกับความไม่หลงสัมผัสกับความทุกข์สัมผัสกับความไม่ทุกข์ ควาทุกข์มันก็ต่างกันกับความไม่ทุกขสัมปัสกับความโกรธสัมผัสกับควาไม่โกรธมันก็ต่างกันความโกรธกับควาไม่โกรใครบอกไม่มีใครบอกเป็นบทเรียนเป็นปัจจัดต่างนะเราจะเห็นสิ่งนี้ละการเห็นทำเราเห็นอย่างนี้ละเห็นไหมวันนี้เห็นง่วงไหมเห็นมันคิดไหมแต่เวลามันคิดเราทำยังไง เข้าไปในความคิดหรือว่าออกมาเปลี่ยนความคิดเห็นมันคิดหรือว่าเป็นผู้คิดถ้าเห็นมันคิดความคิดไปไม่ถึงถ้าเป็นผู้คิดก็เข้าไปในความคิดไปถึงใจโยมไปถึงบุรีรำไปถึงกรุงเทพไปถึงไหนไป็นมันคิดกระจกลงตรงนั้นเหมือนทิ้งก้อนขวดใส่ฝาผนัง มักระทบตังนันตกตรง ต, ตรงนั้นถขาเข้าไปเรียนความคิดเขาพาไปเหมือนทิ้งดินเหนียวใส่ฝาผานังก็ติดไปอาการฝึกหัดการศึกษาของชีวิตของเป็นของจริงไม่ใช่คิดด้วยเหตุด้วยผลเป็นความจริงเป็นของจริงเป็นการสัมผัสกับผิดกับถูกกับสุกักบทุกข์ เราลูเราก็เลือกตัวให้ไม่ครเอาความผิดตัวสติเนี่ยตั้สติแล้วเนี่ยคกิดความถูกต้องอะรอยากอะอามาเป็นสตินะมาที่เราก็ให้ก้มหน้าก้มตาสร้างสติสร้างตัวรู้สติมันเป็นภาษาวาลี สวสดสร้างตัวรูดสุดตัวรูดสุดตัวความรูดสึดตัวสร้างไปสร้างไปให้มีให้มากจากรูดหรูดสองรูดสามจากรูดแล้วรูดอีกหายใจเข้ารูดหายใจออกรูดหรือเดินแต่ละข้าวรูเข้าว้า้ก็รูดข้าวขวาก็รูดหรือยกมือสร้างจังหวัดสิบสี่จังหวัดสิบสี่รูดสิบสี่รูดรูดแล้วรูดอีกรูดก็ อริบบที่เราทำรูปกับเจตนาที่เราตั้งใจให้รูปกับนิมิตตรงนี้แต่รูปอย่างนี้รูปอย่างนี้รูปอย่างนี้รูปอันเดียวรูปอันเดียวตัวรูปสุดตัวก็จะเลิ่อนลงมาตัวรู้สึกตัวมันจะเลิ่อนกมหลงก็เสื่อมนะมันเป็นไเองเมื่อรูปว่างเราก็ไปใช่รูปอย่าง ความรู้แล้วความชั่วความรู้สึตกตัวประดังผลดีความรู้สึตกตัวประจังมีกิพิริย์สุกกสะอาดนะพอได้รู้หลายวันแล้วหนึ่วันแล้วสองวันแล้วพอมันคิดขึ้นมาปั๊บมันก็ไม่ออกเพราะความคิดถือว่าทําให้ทําให้เปิดเพื่อไปหน่อยนึงนะนั่นไม่เหมือนกับความรู้ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามันเป็นการเปิดเพื่อ เหมืนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ไม่อะไรที่มัประเด็นว่าถูกมันตื่นเพื่อนมันก็เช็ดต่อความคิดที่หลงคิดเนี่ยสติจะทําหน้าที่รู้สึกตัวเราก็ไม่เอาไมเอาความคิดควคิดไม่ได้ตดามใจบางทีเห็นมันบ่อยๆก็ฉลาดบ่อเมือม่อเราเห็นขโมยมารักของเราเราก็ป้องกันไปเลยหรือ ว, ว่าเรารอบรู้ ร่รองรว่แล้วก็พอก่อตัวร้องหมาเข้าไปกินอาหารอยู่เรื่อยก็เห็นช่องเห็นหมาลงถอดแล้วก็ปิดตรงนั้นไปดูอีกมันก็ไปปิดตรงนั้นไปดูอีกมันก็ไปปิดตรงนั้นเราเห็นมันเขา้าเราก็ปิดตรงที่มันเขา้าเพราะมันไม่สอดร่องปล่อยให้หมาเข้าไปกินอาหารหมูมันก็ไม่สอด่องแล้วก็ขยันขยันขยันฉลาด ว่างทีเราพอใจขยันมากมากเพราะมันไม่ถูกต enfin ้องมันจะเข้าไปนะขยันปิดขยันปิดปิดแล้วปีดีปีเท่าปีจนหมาเข้าไม่ได้คนผู้ที่รักษาซักก็เหมือนกันถ้าเห็นขโมยมามันก็เกิดการป้องกันเองคุ้มครองป้องกันเองความรู้เหมจ้าของบ้านความหลงคิดเหมือนขโมยทิ่งมาขโมยออกซักไป พคิดทีใดจะล้มไปถึงเกดสมองมันก็ข ย, ยัขนรูออน้ทีมันพอคิดได้เรียนจากความคิดความล้ไปเรื่อยๆอางนี้ชัวร์นะแต่ว่าอยากทำไปอยากทไปกินดีกินได้ก็ว่าแต่เราสร้างตัวนี้ตอลอดไม่ต้องไปมันเกินนั่นไปรูปปป้พพอมัคิดถึรู้บอพอจะไปถือว่าจนผิดจนถือว่านถูกนะจะไปให้มันถึงถูกถึงผิด ให้ม so, ันร so, so, so, so, so, so, so, ู้เฉยๆไปก่อนให้มันรู้เฉยๆไปก่อนอ่ามันก็ถูกไปตัวมันแล้วก็อย่าไปตัวผิดอ่าอย่าประหยัดได้ถูกถูกผิดมันจะเป็นขึ้นไปมันจะรู้จักแก้รู้จัดเปลี่ยนเลยถ้าเรามีความรู้สึกตัวบาทีเราพอจะเรารูดีๆดูบ ตัวบอลแต็บอลบจะไปจับจนแน่นหนักนะมันเราจับปลาปลาวาตัวเนี่ยถ้าเราจับบอลมันจับได้ถ้เจับหนักหมันดิ่งนะมนงเหมือนเราจับจะมีคลิปเนี่ยเขาจับปูดิมือที่บอลจับนูได้จับสัตว์จับหนูเนี่ย เราจับไม่เป็นหน Fragen, ักจนเลยมันกัาก็เขาจะบพอๆของลงไปซ้อนขาเงยงอยู่เรือจับนกบางทีจับนกบางคนจับปุ๊บมันก็กัดมันก็ขาดหมดถ้าเราจะบพอๆมไม่เป็นไรมันก็รู้ได้มันจับไะมันเห็นได้นะการเจริญสติเนี่ยถ้าไปทำหนักขก้นไปทิ่เกินไป มันจะเครียดมันจะคงสราบได้ตายมาถ้าเราลูกไปหลงไปถ้าหัอมันไม่เป็นไรลูกเสร็จบอวบไปก่อนอยากไปเน้นอยากไปบังคับอยากไปขี้อยากไปเพ่รลูกวอวบอลูกวอวบอลลูกบอลอบอลอจะง่ายนะจริงใจอาจจะเป็นเรื่องยากบอลบอลค่อยทำไปมนน่มนวน การที่เราทำสิ่งใดามานนันเน้นการสัมผัสมันเน่นไม่ก็ฟุดกระเฟียดไม่ต่นตั้งๆไม่โอบเบควยไว้เน้นเน้สุขขุ่อ่ อ, อนโยนยิ่งแยกยืดจุ่มอะไรบ้าตามเหตุตามประจัยนะมันจะง่ายนะความรู้สึกทัวร์จะติดติดขนาด แต่ถ้าบางคนทำนักรักา็อาจจะไมติดหลุดปไปเรื่อยๆหลุดไปเลื่ยเอเราสัมผัสดูนะสัมผัสดูถ้ากินจังอย่างนี้ก็เครียดไป็มอ่ะเหนื่อยพอทีก็เข็ดไปเลยไม่สูเลยพอทำลงไปก็แต่ว่าผลอำไม่ได้นัไม่ได้ไ กับอธียบดต่างต่างเล็กตัวน้อยถวยโอกาสอย่ากให้ความคิดนําหน้าเสมอไปอยากให้ความปวดมนันนำเสมอไปนํามันบ้างนำความปวดเห็นมันปวดโตอบถ้าช่วงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความปวดความเมื่อยทำถูกต้องเอามาเป็นบทเรียนเอามาใช้เอามาเป็นประสบการณ์ไปเลยไม่ใช่เราเข็หลับ เห็นความปวดก็เฉดหลับเห็นความง่วงก็เฉหลับนกคัเห็นความง่วงหัวเลาะความง่วงเห็นความปวดความเลาความปวดเมื่อยเห็นควคิดความเลาะความคิดไปว่าก็สนุกไเลยเ็นความกิดอไม่ถอดได้ความโกพยายามเสียความผิดได้ความโกรธทำไมัไปกันอย่นี้มันคิดว่าาไปเอามาก็ ก็ตั้งไว้คิดแบบตัวเป็นยะทาสบายการทำอรท่านใดีตั้งคิดไปถูกมากเสยนะาแต่ตั้งคิดไปผิดผิดมันมันมันเสียยเช่นความหลงบางบางทีเกื่อความหลงมันชื่นใจรู้สเกว่าชื่นใจหรือบางทีกวามมตรัสถอะรู้ึ่ชื่นจ แต่บางทีบนคนเห็นาหลงก็ะอกสอยเศร้น่ อ, อ, อได้ยินคนตัดเตือนก็ทําใจไว้เองก็เกิดปอไม่พอใจขุ่นเคืองโอ้คนที่มาเตือนเราเนี่ยมันดีที่สุดมันชื่นใจเพราะคนเตือนตัดเตือนเอนขาว่าอ ะ, ะต่ามเขาเลยอ ะ, ะ่ถ้าเราทำผนะแต่ได้รูสึบตัว แม้บางคนเนียไม่หลอกแม้ผิดไปไม่หอกได้ยินความตับเตือนเนี่ยก็จะบอกไม่ควรจะคดากเพราะตั้งคิดเรืกอยคิดถแม่แต่สามีปัญญาเนี่ยยังตั้นคิเขื่อยคิ่อแม่กับลเกต้องกันตั้งดเรืยดกันว่าอะไรให้เขาธรรมดากดง่ายมองงามันตอบมันบาปเราก็ฝึกั ให้มันผิดตัวกับยิ้มหัวเราะตัวผิดตัวเอยงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนโทรก่อนไม่เป็นไระเดี๋ยวแล้วก็งงงกไม่เป็นไรนะแก เ, เ, เ, เอาแล้วเรเปลี่ยนได้เหมือนจะเขาจะสนุกเลยทุกคนนะเหมืนเหมือนกันจะไปจะไปสมัครว่าเขาดีกว่าเราไปสมัครว่าเราเร็มกว่าเ ข, อ า, ขอาอย่าให้มีความคิดเปรียบเทียบนะ นือบางทีเราสังเกตว่าเราเลิกปวดเขาเขาเร็วกว่าเรก็พราะอยาไปสําคัญนะไปสบายๆในธรรมดาไปก็คิดเหมือนกันอาจจะง่วงอาจจะปวดไม่เท่ากันหรือลูกคนเดียวกันนั่งนานๆก็ปวดข็เมว่อยเมือนกับางทีเราทนได้บางทีเราทนไม่ได้ไม่เป็นไรเดินมากๆก็ไม่มันก็ไม่ไหวต้องปวดเขามื่อยน้องกัดนั่งนานๆก็ปวดเขามื่อยน้องกั นอนก็กดต้องหวมันกัถ้านอนมันมีความสุขนอนักจ็นเจ็วมันไม่ไันกแต่นั่งเลยความสุขนั่งก็บคนเจ็มนร่ยนะนคนเจนาก็จะดนคนเจ็บคนปอาคลูกแเอลูกแน่อรองคนมาช่วยลูกว่าเไว้นอนเอาคลูกแน่ ลุกหน่อยนึงอหัวนอน่วอนเนี่ยออนนเนี่เนะก็ไม่่ใช่สุดไม่ใช่เลนะควาสุดควาทุกจสิ่ต่างๆให้มันเหนือยนะให้มันเหนื่อเออีอบ ท, ทัสิ่เมันเป็นมันเป็นตัวทุกข์ที่เราจะต้องรู้จักไม่ใช่แะไปชอบบางทีเราเดินในโมง ก็ให้เห็นสวัว่าการเวทนาที่มันปวมันเหนื่อยเพราะการเดินมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่หรอก น, นั่งดีกว่าแต่พไคิดอนะไรานั่งก่นั่งโดยความโดยส่กตัวอย่าไป น, นึกว่านั่งมันดีหาความสุขจากการก็ไม่ได้การ น, นั่งก็ไม่ได้ความสุขนะรู้ก็เป็นอนิี้บทที่มันจะต้องบันถ่อทุกตามธรรมชาติให้รู้แต่ว่าอย่าไปหาสุขหาทุกจากการยืนเดินนั่งนอน แต่ะครัู้ไปรู้สึกว่าไปชปอบความอิ่มความอะไรต่างมันหิวมันอิ่มมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปรบศุกรบต้องไปทุปกบางทีงอทิ่เป็นสุกรบมาชับางทีหิวเป็นทุกข์ก็มาชัให้ถือว่ามันเป็นเวทนาแค่เวทนาเท่านั้นไม่ต้องไปศุกไม่ต้องไปทุกข์ได้ไหมถ้าได้เรเก็บอินที์จะแก่กล้าฮะ เอตแก่ป้าจะไม่กลัวอะไรเลยถ้าไปชอบอั น, นไม่ชอบอันหนึมันจะอยู่ในโลกเรียกว่าชีวิตจิตใจอยู่ในโลกโลกก็จะทับท้องเราเช่นว่าเรื่องเงินเราเงินภาษาญี่ปุ่นว่าท่าของภาษาดี่ปุ่ว่าเราจะอยู่เราจะอยู่กับตัวไม่อยู่กับคิดไม่ให้จิตบังคับกับไส้เราจะอยู่กับตัว แล้วอยู่กับตนให้มั่นคงพิจาราตนเองจนเกิดยาณทัศน์ปะตรงมายาทุติยาปะปองมชาติุติยาชาติตระตีแชชาตจัตตุทธาชาปันจัตมัญชาเพราะตนตนตัวนีคือตรงที่มีความรู้สึกตัวที่ฝึกดีแน่มีตรงเป็นที่อยู่ อติเหตุตะวันอาโธนนเป็นใพืนของตนเพราะเรงฝึดขัดมาเราจึงมีตนตัวนี่ไม่ใช่ตนคือโกคือ้าสีคือผู้หญิงคือผู้ชายคือเราเป็นพระเราเป็นโยมใช่หตนคือคุณรัที่เราฝึกขัดคือมีสติน่หะคือตนเราฝึกมาเราก็มีความเข้มแข็งเราฝึกสิงไหก็มีความเข้มแข็งส่ง้เราของโยคะเราก็ได้โยคะ เราหัดเดินานานเราก็เดินนานๆการเดินจนงโงนนานเนี่ยหมอะที่จะเดินทางไกลไม่ค่อยจะเมื่อยล้าซึ่นเขารงหัวไม่ค่อยจะเมื่อยล้าคนผู้เดินสุโกนอ่าหอวจะไปกอดยังกอดเนี่ยเห็นท่านเดินมาหน้าดำดำหน้าหน้าบุกว่ออาแดดตาลมะ นะดนหน้าพัดนุนนอนอยดังดำปีเนี่ยโอ้สวยนะทำไมสอ น, นสำไม้องชอเป็น น, น, น, นุนเดนจอดลงเลยถึงเฉยหยี่สิบควบน้าดำปีโอจะว่าหน้าละเพราะนั่นนี่การที่เดินเนี่ยมันก็เชื่อยลนกันเดินทางกกลในเวลาคนที่เดินจะก่อคนที่นั่นไนนานๆก็ดีมอนกันจะได้ไม่ จะได้ไม่วไหวังไว้เลยนะ้มีอะไรที่เราเคยฝึกมาเราเคยสู้มาเคยนมาเคยทาได้มันก็จะเก่ขึ้นไปนั่นต้องฝึกซะฝึ ก, ะ, กะเฮยลู้สึตัวนานๆความหลงที่มันหลงเวลาเรารู้มันก็มันก็ต่างกัได้คำตอบได้คทำตอบจะเปิดกว่าจะไปิดกว้างกว่า อย่าไปขอางความคิดอย่าไปขวางความหมกอย่าไปขวางความทุกข์เพราะว่นะเหมือนกับว่าเรามีเจ้าของเรามีสิทธิก็มีอำนาจสตินี่มันมีอำนาจสติมันเป็นอยา่างเป็นธรร ม, มไม่มีอำนาจถ้าเราอยากจะมันไปครองกายคลองใจแนละเหมือน พ, นนะพ่อแม่พอแม่ีอุปการะคนต่อลูกกตัญญู เป็นบุคกากรบุกคลเวลาลูกเจ็บไข้เป็ป่วยไม่ต้องขอร้องพ่อแม่จะช่วยเองนะท่านจะช่วยเองอันถือวะพ่อวันแม่กับลูกเนีชั้นใดก็ดีถือว่าสติสมรจารที่มีในกายใจก็เป็นหน้าที่อุปการะสมุปการะมากพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนพ่อเหมือแม่ผมรู้สึกวร่าจะช่วยกายช่วยใจ แล้นี่เรายังไม่มีเหมือนเป็นกำพร้าเหมือนเป็นคนหลับคาอยู่อาภัพเสติเราจะทัดไปสู่ความสุกทัดไปสู่ความทุกข์ทัดไปสู่ความโกรธความโลภความหลงทัดไปสู่ความรักความตายเพราะไม่อุปการะุณคอยดูแลเราจึงมาสร้างมาสร้างความรู้สึกตัวให้อยู่กับกายความรู้สึกตัวให้อยู่กับใจให้อยู่นาน ให้กายได้สัมปัสกับความรู้สึกตัวให้จิตได้สัมปัสกับความรู้สึกตัวแล้วจะเกิดอุปการะคนหลหลายอยา่างเหมือนแม่กับลกูกเหมือนพ่อกับลกูกเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าผูใ้ใดมีสติคนนั้นเหมือนอยู่ว่าพ่ออยู่บ้ า, บานแม่หุนใจ แล้วเวลาเร ม, มันก็ไม่อโอเคนะถ้าเราเมีความรู้สตัวนะแต่นีเราไม่มีความรู้สึตัวก็เาหล ง, เ อ, ลง เ, ลลอเอาความหเวลาเรากดเอาความกวดเวลามันทุกข์เอาคว า, ความทุกข์เขาไม่มีความรู้สึตัวเราอยากไปโทษันดูมันขาดทรรมมันขาดบุญคนขาดบุญจึงเป็นทุกคนขาดทรรมจึง เ, เป็นทุกนะเขาเอาตัวเขาทีเข้าไปอยู่ในความทุก หนึ่งวันองวันบางทีเข้าไปอยู่ในความสุขหนึ่งวันสองวเข้าไปอยู่ในความกรามีบกูได้กรธเตายก็ไม่้องลำลำพันโยนเราตไองมาฝึกให้ให้มีความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวเป็นคู่กับกายเป็นคู่กับจิตใจเราเนี่ยเราจะตอบเองหรอกไม่ต้องหาคำตอบปฏิบัติ เป็นปัจจัยต่งของภครของเรานะวันนี้เราเปิดตว่าจะเปิดดีๆให้ใส่ใจสักหน่อยปัจฉัณฑ์รูสนุมอินทรีย์มีศรัทธาล้วก็มีธรรมวิทยาในใจเข็นข้นง้อก็มีธรรมวิทยาดูกับคนในง่วเวลาง้อใส่ใจคน่งนงวอ เวลาเราลงมาใส่ใจพอไม่ลงมีธรรมวิเชยะได้ครบสับุรบุญได้ความคับได้มีผู้เหกผู้สมได้โยนิโสมนัสิกานในใจบ้านใหมีหลายอย่างอย่ามีอันสองนะ อ, อ, อนงันเพลิงเพลิงมีเสียงสงบอินทรีว่าอจะปอยป่าได้เลยหมอกม่วนคนคิด ตัวจะสำรวจมว่าเมื่อเราจะทำอย่างนี้พิกมือขึ้นพิกมือลงหาที่น่าถนอมกายยารเวทปรีเวทนะนะปรีเวทั้งพิกมือขึ้นไว้ไปมาให้กายวิเวทเมื่อกายมันรีเวทแล้วมันก็เกิดจิตต์รีเวกสงบจิตลงไปเมอจิตมันวิเวทแล้วก็เกิดอุปาธิรีเวทสงบจากฆาดเสร็จ เสัางใเอว่าจะเราช่วยตัวเราให้เป็นอย่าอย่ามนแน่วตอนแต็มปัดใจปัการกํนไปฝังงไปตั้งรอไปตั้งไหวต้หววไปใส่ใจเจตนาเจตนาเคื่อนไหมือเจตนาหาใจอยางให้มันฟรีหลชีวิตแบวมันฟรีหมดเลย เคอไหวเท่าไหร่ก็ฟรีหายใจก็ฟรีเดอนก็ฟรีแม่มันคิดหลงก็ฟรีให้เห็นความหลงบ้างให้เห็นความไม่หลงบ้างสัมผัสความหลงสัมผัคมสผความไม่หลงอย่าให้ฟรีถ้าฟรีไม่เป็นกขับเป็นกระตักระกระกระตัดกรรมไมนน่ไม่มีผลแม้จะปฏิบัติทํานั่งแปดชั่วโมงแต่ว่าใจลอย คนคิดในลงที่คนคิดไม่มีสติแม้เธอจะนั่งอยู่สามชมั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ถือว่าพิกสูนนั่นเป็นคนเกลียดพลาดแต่ว่าเกลียดพลาดน้าบอกมุมคนคิดไม่มีสตินะแต่พิษศูนใดเมื่อเธอนั่งอยู่เธอไร้บรรลุ เออ่เอเวลาใดๆมันเหมกตู้น ค, ออคนคิดเธอสลับคนคิดมีสติรู้สึกตัวแม่เธ อ, อนอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ระลอกความเพียดมาอย่าฟรีนะอย่าให้มันฟรีอย่าลงฟรีอย่าทุกข์ฟรีอย่ากโกรธฟรนะีให้มันรู้สึกตัวความลู้ไปเกี่ยวข้อง ม, มันจะ มันจะเฉลยมันจะอินซสติอินซีย์เนี่ยมันจะเจครับเพราะมันเห็นเหรอมันไปใช่เหรอใช่น้องอ่ะมันก็เจ็ว่าเหมือนมันตั้งอยู่ในน้เหมือนเถาวัลที่มันอยู่ในน้ำก็แก็เอาไปมัดเอาไปทําเป็นเชือกเอาไปทําเป็นอะไรก็นะมันไม่ออนอินทรีย์สติอินรีย์มันแเจครับนะ เดีวนรูปรสกลินเสียงมันแก่กว่ดสติอ e ินทรีย like. ์สติอินทรีย์มันหอมก็เลยขาดง่ายอยู่ตั้งตั้งอยู่ได้ไหนาเก็จึงมาตั้งตัวนี้ให้ลุลุ่สะดวกลุไว้เก็บตกให้เป็นขัดช่วยโอกาสให้เป็นิดหน่อยก็ยังดีจากทิพตาก็ลุ่มจากเ้นน้ำลายก็ลุ่มัดช่วยโอกาสหัดช่วยโอกาสเก็บหอมรองลิษ อยาใช้อยากจัดถนนถนนเมือนเราตั้งฐานนะสร้างข้อบธาตสร้างตัวเก็บของหลอกลิดเป็ดมีอะไก็เก็บไว้เก็บไว้นะเก็บไว้แล้วขั้นราคาเาสร้างพระสร้างเรอนอยากจัดมันมาเป็นมาเอาตัวใครตัวมันนะหลงก็หลงเองแก้ความหลงก็โลดเองนะม่มีใครเห็นความหลงนอกจากตัวเรา เป็นเพื่อนเป็นเมดกัน่ามโนทนาอย่างยิ่งที่ในนอานแคลนมาปฏิบัตนะิแล้วก็เป็น ด, ดีตอนรับพระพุทธเจ้ า, าพระสองฆ์ที่มาก็ถือว่าบ้านก็นมาอยร่วมการศึกษาด้วยกันสุขทุกข์ด้วยกันก็ นี่คือมังไทเรานี่คือพุทธบริษัทป็นภิกสุภิสุนิวาโสปาจิกานี่คือของกริงพวเราศึกษาสากษาไปที่พวกเราอยู่ใยชอบมีสติมีสัมปชัญญะโลกก็จะไม่ว่าจากพระเจงิพิคเวสิพิคุตสัมมาวิหารเลยยุ่ปัจจุบัโลโกระหังเตยสัสสัตพิสุทั้งหลายเมื่อพอูด วาสวสกาทั้งหลายเอพเธออยู่โดยชอบโลกจับไม่ว่าจัความหันนี่เป็นเ็นว า, า, าสิกาช่ทสอของพระูมิาการการอยู่โดยอบไปอยู่แบบนี้อยู่รุ่นของไม่สุดตัวเรียกว่าอยู่โดยชอบนะอ่านนี้ก็ตอนอีก่อนก็คอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้